ฉันคิดถึงเธอใจมันคอยบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเธอนั้นเป็นสุขไปแล้วทุกครั้งที่ฉันนั้นเห็นภาเธอวันคืนเก่าๆก็กลับ มันไม่มีเธอ r i g รู้ตัวคงคงจะไม่มูเก็บมาจนวันโอ้คนดี ถึงเธอที่แสนดีวันชีวิตนี้ฉันมีเธอเป็นความฝันจะพบกันบอก I've c o